การปฏิบัติธรรมก็ไม่ถึงว่าไม่รู้ก้กาวหน้าสักเท่าไหร่นะก็อาจจะไม่ถึงก้าวหน้ามากนะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราตั้งอะไรที่มันเกินความจริงเกินไปมันอาจจะเป็นผลร้ายเหมือนกันที่เราตั้งมาสั ก, กวันหนึ่งคืนให้เราจะปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะหรือว่าจะนั่งสมาธิทั้งคืนนั่งหลายชั่วโมงนี่พอตั้งปุ๊บนี่ไปตัวเป็นม้วง น, นอนเลยมากเลยสมัยก่อนเรชอบนั่งสมาธิเหมือนกัน บอกว่าจะนั่งสักหลายๆชั่วโมงองเงี้ยนั่งไปไม่กี่นาทีโอ้โหทำไมง่วงกันมาอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็ไม่อะไรปวดเม้่อยทีนี้ก็ไม่ผมมือแต่พอตั้งใจปุ๊มันจะปวดเมื่อยเลยมากเลยนะอันนี้เพราเราตั้งใจอะไรก่อนก็ไม่ได้นะเพราะมันมันไม่งงว่าเราหลอกไม่ชำนาญเราอยู่เสมอพอเราตั้งเลยปุ๊บมันจะมาขวางเราทันทีนะ ในช่วงทุกสงสานะียหลายหลายองค์เขาจะตั้งใจและสัย่างที่เป็นผู้ข์ใส่กธรรมดาในการปฏิบัติธรรมนะคราวนี้ถ้าเราปฏิบัติเราก็สบายๆก็แล้วกัน เ, ออเราขออนุญาตว่าในทนะุกขสงารเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นชีอะไรก็แล้วแต่นเราก็ตั้งใจว่าเราพยายามปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ก็แล้วกันก็คือสิ่งสำคัญในที่เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่เราทุกคีกันนะคุกคีนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลย มาแต่ในคำสอนของพระองค์ก็ทรงพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าพระที่บทใหม่พยายามอย่าคุกคีนะดูบทเก่าก็แล้วแต่อย่าคุกคีอสำคัญตึงสําคัญสําคัญมากในในพุทธพจน์อยู่นะเพราะการคุกคีในเขาเรียกว่าเรามีเพื่อนสองนะเขาว่ามีเพื่อนสองนี่ก็คือเราอยู่กับกิเลสปัญหานเองนะกิเลสตัณหาที่สาคัญมากนะถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าใจเราคิดเป็นไหลไปในทางกิเลสตัญหาบ่อยๆอันนี้เราเป็ีเพื่อนสองอยู่นะ ยิ่งการคุกคีไงมรก็เป็นการพูดไปในทางลบอยู่เรื่อยๆนะน่เป็นสิ่งที่เท่าส่ ง, งอกิรณะออยู่ประจำนะนะเป็นศัตรูสําคั ญ, ญยิ่งเลยก็คือการคุกคีนะแต่ว่าคุกคีแล้วพูดในธรรมะก็ยังไม่เท่าไหร่นะนะแต่สําคัญก็คือเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะการมา บ, บัดทอนนี่ก็คือเราต้องอยู่กับตัวเองในสําคั ญ, ญที่สุดนะอยู่ตัวเองในการที่เราสามารถที่จะอยู่กับตัวเราเองได้จริงๆนะ หรือไม่ต้องไปฟังวิถียุไม่ต้องไปฟังธรรมะมากก็ได้ถ้าเราตั้งใจบัดบัติแล้วธรรมะก็ไม่ต้องฟังมากก็ยังได้เลยนะแต่เราพยายามอยู่กับตัวเอ ง, างมากรู้จักตัวเอ ง, างมากนะสําคัญไม่ต้องรู้จักตัวเราเองนะแล้วก็แยกย่ายนทุกหนกัน น, น, นนะเพราะถึงช่วงระยะเขาเปิศา ก, ก็จะมาอยู่ที่วัดกันเยอะมากขึ้นก็เพื่อที่จะตั้งใจบัดบัดในจุดนี้แล้วเองนะเพราะนั้นในช่วงเข้าปิาคือเราจะต้องตั้งใจบัดบัด าการตังร้งใจปฏิบัติเนี่ยก็มีอุปสรรคที่สําคัญสำ ค, คัญอยู่สองอย่างนั่นก็คือประการแรกก็คือคิดเพลินหรือคิดเพลินอันนี้สําคัญมากเลยเพราะจริงๆนะคนเราคิดได้ทุกคนแต่วาเม่เราคิดเพลพินปใ๊บเนียเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปฏิษษบัติธรรมนะเมื่คิดเพลินไปแล้วคิดไปต้องนานแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะเขาเรียก ว, ว่าเพลินหรือหลงไปนะหลงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าหลงปุ๊เราก็จะกลายเป็นคนไม่รู้ทันทีเลยนะคิดเพลินนะ พเพราะเคิดได้แต่รนะยะมันเปลี่ยนนะคิดแป๊บนึงก็กลับมาแล้วกลับมาลู้ว่าเราคิดไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอุปสรรคมาเลขหนึ่งนะอุปสรรคเลสองคื อ, อ, อไปเพ่งเอาไว้ เ, เพ่งไว้ก็คืออุปสรรคหมายเลขสองแพ่งไว้ใ้จิต ด, ดูนิ่งๆเลยสงบไปเมือ ไ, ไหรรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาไม่ไปประคองเอาไว้อันนี้ก็เป็นการผิดธรรมาชาติทั้งหมดนะเป็นการไปสร้างสร้างสภาวธรรม เพราะว่าจิตเนี่ยการบแบบนี้นเราจะไปบังคับบัญชาอะไรนันไม่ได้เลยนะเพียงแต่เราปล่อยให้มันทำงานไปแล้วมัก็ตามรูเท่านั้นเองนะค ร, ระสาษาบาลีอสองก็ไปเพ่งไวเนี่ยสองสองส อ, งอย่างเนี่ยคือคิดพรนไปหรือหลงไปนะหรือว่าไปเพ่งไวสองอย่างไม่เท่าแก้ไขได้มากก็ิกอยู่กลางกลางอการบบิธรรมเนี่ยจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะไม่รูก้าวหน้าไปเขึ้นเนี่ย เราก็นั่งกลับมาอยู่ตัวเองก็ได้นะสาคัญให้กลับมาอยู่ตัวเองนะบางทีเราอยู่กับคนอื่นหลายคนนะเราก็จะเปลี่ยนไปในสมัยก่อนสมัยก่อนปัญาเคยอยู่วัดป่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยมันกัเป็นคนที่ค่อนข้างที่เรียกว่าอะไรไม่ได้อยากจะยุ่งกับใครเลยบางทีปุติก็้ต้องหาปกติที่อยู่ใกล้ไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆอยากใครมันไม่อยากได้ยินเสียงอยากจะปฏิบัตธรรมอ่างงยบ อมันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเห็นตัวนั้นนี่เลยเราทำตัวว่าอะไรอางเงี้ยนะตอนหลัมาคิดแล้มันก็เห็นตัวน่ารับท้าบัตรตัวนั้นอะไรเงี้ยอย่างก็ต้องดูเงียบๆไม่อยากเจะกับใครนะอันะเมน่อจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราอยู่กับตัวเองเท่าไหร่นะในเมื่อเรอยู่แบบนั้นปุ๊บถ้มีความคิดไหลไปเรื่อยๆอคิดเป็นออกนอกรู่นอกทามันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์ดีนะ แต่เมื่อตอนหลังมาอยู่ที่วัดนี่กุฏิก็ใกล้ๆกันหมดเลยจริงๆแล้วทุกยุคสมัยก่อนที่อยู่ยังไงกุฏิยังไงจะหนีไมนได้หนีไปอยู่ไมไกลแม้แต่ตอนไม่ยังไงก็จะไปอยู่กุฏิสืบสารกุฏิสาบนครภูเขาก็อยู่ห่างไกละไม่ค่อยมีใครอยู่หลงนั้นก็อยู่สบายดีอแต่ตอนหลังมาอยู่กุฏิใกล้ๆเออมันก็ไม่เป็นไรนะอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรที่เราอยู่กับตัวเราเองได้ชะากันสําคัญมาอยู่กับตัวเราเองนะถึงเราจะอยู่คนหนุนมากแล้วก็ไม่น้ำคางเราก็เป็นแบบเราได้ เมื่อก่อนนี่นที่กุดนั้นก็มีมีพระองคหนึ่งเข้าไปอยู่มา่ก่อนแล้วแหละแต่ว่ากรุกกไดไน้นำอยู่ว่าหเหมือนกับเตยเห็นเหมือนับเตยว่าอยู่ว่าเออใครทําำไรก็มองเห็นหมดนะมัน <Okay. S 2> มีพระไปอยู่ก็จิตวิญญาณคมเอาไว้ อ, อแล้วก็คิดว่าราจะไปอยู่ได้นหมนอ้อพอไปอยู่จริงก็อยู่ได้เหมือนกั น, กนถึงเม้ว่าตอนนี้นที่อยู่ก็มีคนโดยไม่ใกล้ๆกันไปดูสัตว์แถวๆนั่นๆไปเดินดูสวยโดยใกล้ ๆ, ๆก็ไม่ตป็นไรเพราะเราอยู่ตอัวเราเองไ่ะ เพราคัญว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่จะอยู่ในที่พุท่าที่คนไดเยอที่มันรู้สมันวุ่นวายก็ไม่เป็นไรถ้าเราอยู่แต่วเราเองบ้านเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกทุกแ <ๆ S 1> ห่งเลยได้ยังคกนะง น, นก็สบายนะแต่ทำอะไรก็สบายแม้แตนสมัยที่แยกไปอยู่คนเดียวอยู่ในป่าในเขาคนเดียวมันสบายแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกถ้าเรายังหลองไป<ล>งเรายังไม่เข้าใจไว่าอยู่คนเดียวทํำยังไงนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ดีนะ มพราะนั้นถ้าเราอยู่ตัวเองได้แล้วนะอยู่กับใครก็ได้อยู่กับยังไงก็ได้จะวุ่นวายขนานไหนก็ได้อจะมีคนคุยยังก็ได้เสียงริ่วิ่งไปวิ่งมาก็ได้ไ ม, ไม่ไม่มีความบ <th ous S 2> ังค<า>ับ <ๆ S 2> เลยนะถ้าเราอยู่เราได้ขนาดนั้นกนะ็คือเรามีความสำเร็จอยู่ตัว เ, เองอเราสามารถที่จะอ่าไม่หน ó n ไปนานนะั่นเป็นกาประโยชน์เพราะเราไม่อเราทนกับแบบนั้นเราก็ยังอยู่กับสังคมได้อยู่ความสุขไม่ต้องแยกไปอยู่คนเดียวนะไปบัดเพลินที่ไหนก็ได้น่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะนั้นนี่ก็คือหมายความว่าเราจะอยู่อย่างไรก็ได้เพียงเราอยู่ด้วยตัวเราเองไม่ได้ทุกนั้นเองอยู่กับตัวเราไม่ต้องอยู่กับคนอื่นนะเพราะบางคนบอกว่าเราไปบัดที่บ้านก็ได้นั่นก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะเราอยู่บ้านได้โดยที่เราอยู่ตัวเองแต่ทุกวันนี้พอเราอยู่กับบ้านปั๊บมันก็ตามมาเลยเราต้องอยู่กับข่าวสารบ้างอยู่กับอะไรบ้างที่มันจทำใเราเพลินไปนะก็คือเราอยู่ตัวเองไม่ได้นะต้องการความเพลิน ต้องการสิ่งไหนที่มันมาเข้ามาในใจแล้วเราสามารถที่จะอยู่ได้เลือ่อนก็คือเราอาศัยคนอื่นหรืออ<ล><ล>าศัยสิ่งอยู่นั้นใดมาอาศัยอยู่ไม่ใช่อยู่ตัวเราเองนะถ้าเราอยู่ตัวเราเองได้แล้วเราต่อไปจะอยู่ที่ไหนก็ได้หมดนะตามป่าตามเขาก็อยู่ตัวเราเองได้นะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในจุดนี้นะนะเพราะในกลางทุนสารเนี่ยจะอยู่อย่างไรก็ได้นะแต่คอยอยู่ตัวเราเองนยสําคัญที่สุดนะและเมื่อเราสามารถที่จะ เข้ามาถึงความรู้สึกตัวแล้วนี่ยต่อไปเราก็ต้องตอตันหนักนะตองตันหนักถึงความจริงว่าการเข้าสู่ความจริงนั่นคือการที่เราจะต้องมายึดติดทุกๆอย่างนะการยึดติดนั่นคือสายรัดถึงความทุกข์ทุกหมดเลยะความยึดติดนะในตัวบุคคลบ้างในสิ่งของต่างๆบ้างในที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ในความคิดทางเลนนี่คือความยึดติดทั้งหมดเลยนะผู้นี้จะนำความทุกข์มาให้เราทั้งหมดนะ เราเพียงตอนนี้ต้องสังเกตไปบอกว่าเรายึดติดอะไรบ้างนะเช่นอาจะยึดติดน่ะญาติพี่น้องของเรานะยึดติดเพื่อนฝูงนะยึดติดพระด้วยกันนะดูยึดติดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำเรายึดติดนะแล้วต้องสังเกตตัวนี้ให้ไวๆนะว่าเรายึดติดอะไรบ้างนี่ยแล้วเราก็จะรู้ทันนะความยึดติดถึงเรานะจะทำใความยึดติดได้เรขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเราจะยังมีอุปทานในใจอยู่เยอะมันยังได้พวนี้ไม่ได้ง่ายหรอก เดี๋ยวเวลาต้องตระหนักตระหนักในความจริงถึงเขาเรียกว่าสารพันมพิทาจริงนะหรือพิไตรักหรือกดนะกดความจริงนี่ยมันกับกดสักกายตึงที่มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะไม่ว่าเราจะหนีไปไหนก็หลิกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือกดพิไตรักนะก็คือเข้ามาดูดูถึงความจริงบ้ามันไม่ทเอย่างจริงๆมากความไม่เที่ยงจริงๆนะเราต้องเห็นในสิ่งที่จริงๆไม่ใช่ว่าฟังในคาพูดเข้ามาว่าไม่เที่ยงไม่เทย่างนะ ก็เป็นแค่คำพูดทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เราแค่ได้ยินนะหรือได้อ่านว่าไม่เที่ยงได้ยินมาตลอดเลยหรือได้อ่านมาตลอดเลยได้ฟังครูบาอาจารย์พูดมาตลอดเลยแต่เรายังไม่ได้ตระหนักนะไม่ได้ตระหนักเข้าไปสู่ความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงจริงๆอย่างไรนะสิ่งเหล่านี้มันจะต้องใช้บางอย่างที่เขาเรียกว่าอ่าอาจจะต้องมีการพิจารณาบ้างนะการพิจารณาว่าก็ช่วยได้เหมือนกันนะ ไม่ในกันที่เรารู้สักตัวนี่ก็สามารถช่วยได้อยู่แล้วแหละเพราะตั้งแต่เห็นความไม่เทียมมันอยู่นะแต่เราอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งซึ่งความเปนจริงที่เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองนี่ได้ว่าร่างกายเนี่ยมันเพียงไหมเพราร่างกายมัหนหูง่ายๆกว่าอย่างนีนะ้ร่างกายเราเนี่ยจิตใจมันเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วแหะกลายเนยังไม่ตถนัดนะต้องกลับมาดูร่างกายแล้วเราจะนั่งสลดใจ ก็คือบางบางทีนั้ะเราอาจจะไปหาเราสักอย่างหนึงดูก็ได้ว่าอีกขนาดนี้หน้าตาเราเป็นอย่างไรบ้างบางทีว่าพระครื่องก็มีวินัยนะอยาไปส่องกระจกดูนะสมัยก่อนยุคไม่มีกระจแล้วนะกระจนี่หายากมากเลตาบ้านต่างๆนี่กระจหายากแต่เมืตอนหลังนี่มีกาได้เห็นกระจสักครั้งแล้วก็มีความเขาียกว่ามีความสลดใจโอ้เราแก่ไปแย้วเลยแก่เราหน้านแล้วยิ่งแก่เรา ก็เกิดความสลดใจว่าเราแก่จริงๆนะภาพในหน้าแก่แล้วอะไรเงี้ยถมาสังเกตในผ้นี้บ şey ่อยๆดูถ้าเราไม่เห็นนางเราแล้วก็ดูผิวหนันเราก็ได้นะผิวนังนั้นนี่มันเหี่ยวเยีนมาทุกๆวันนะมนดูตัวเราเองนะดูที่ส่นเราไปดูคนอืเรามันจะได้เกิดความสลดใจมะบางทีก็ยังหาตักเล็กๆในไว้ที่กดของตัวเองเลยนะบางทีเราก็ต้องคอยดูแม้ว่าไม่ใช่เราผิดผู้ใด แต่ดูวิธีดูสังขารขอเราว่ามันเป็นแบบนี้นะจะได้กลับมามาตรงสังขาร น, นะจะได้ไม่ประมาทอันนี้สําคัญมากต้องกลับมาต้องต้องหนักจิงจริงนะตอนหนักก็คือกลับมาเห็นความจริงว่ามันไม่ไทูกจริงจริงนะตัวเราในบางสมันชัดชัดเลยนะคราวนี้ถ้าเราไปดูอย่างอืงอ่นเนี่ก็เยอะแยะเลยแล้วมันก็มีความทุกข์ตามมาอันที่เราโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ถนัดก็เสียแล้วเสียนนะ ก็ไปส้มแปลว่าอะไันมีคอมพิวเตอร์กเสียต้องคอยส้มอยู่ประจำนะมีอะไรต้องคอย่้มไม่มีอะไรที่ไม่่้มหรอกอืมไดีขนาดไหนใช่ักนานต้องส้มทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่่อมรองเท้าใช้ไม่นานมันก็สึกไปแล้วพื้นน้ำกาลังไปแน่นใหม่อ่างป้งฟูฟันซื้อมาใช้ไม่เท่าไหร่ยนก็แปลงขุนแปงก็หงิกงอแปลงต่อไปไม่ได้อีกเลยในเราเห็นได้ง่ายๆเลยสิ่งนี้มันไม่เปีย่าไหร่แปลว่ามันยังไม่จบจบจังหจริงๆ ต้องกลับมาเห็นนะนมันจชัดนะม่ได้โปร่งชัดทีหนึ่งนะให้เห็นได้่านะความไม่เที่ยงนะมันจะได้กลับมาชัดๆเลยนะถ้าเราไม่ทำให้จุดนี่ยมันจะไม่เกิดความสลดนะไม่เกิดความสลดใจนะความไม่เที่ยงนะความทุกข์นะมันไม่าอาจจะซมในสุท้ายว่านั้นเองได้ทุกอย่างเลยนะที่เรานั่งมามาก็ปลดหนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่ามายืนมานอนมาเดินนะมันก็คือการที่เราพูดในสภาวะเดไม่ได้นี่คือความทุกข์ทั้งหมดนะ อนะครั้นี้ถ้าเราเปลี่ยนในรื่องแบบนี้เ ร, เ, นเราก็ต้องตระหนักนิดหนึ่งว่าเราเปลี่ยนด้วเหตุอนะไรพวกเราจะแก้ด้วยตัวเองนะมีความทุกข์เราเร า, เราต้องแก้มันนะก็ต้องวิเห็นความทุกข์จริงๆนะเพราะงั้นตรนั้นคือเราต้องเห็นความทุกข์ในนิชัดแบบด้วยนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์นี่ชัดนะถ้าเราไม่ชัดนั่นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำให้ใจเราสงบได้เหมือนกันนะหรือหรือความที่เรา เห็น <i> ทึง่งซึ่งตานะอนัตตาดีเป็นหลักธรรมมีสาคัญยิ่งเลงคือความไม่ให้ตัวไม่ตนไม่ใส่บุคคลตัวตนเราเขานะอ <i> ืมไม่ใช่เป็นสแสงเราบังคับเป็ชาได้ไะ <i> ตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในพุทสศาสนาเข้ามาสบ่พรมที่อนัตตาในเองนะเพราะรนั้นจึงมีอนัตตาลัคนาสูตรนะ <i> ตอนนั้นที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะหมายก็คืออธรรมะจักกัดพระว่ัคนาสูตรจะเป็นเป็นสูตรสูตรแากเลยนะ ประกอบร้วยพระอัญญาคนอัญญาในบรรลุพระสสดาบัได้านสูตรนี้นะแต่ว่าองค์อื่นนี้ยังไม่ได้บรรลุเนในนะแต่พอตอนหลังพระเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตาลักษณะสูตรนะปุ๊บเดียวแสดงแค่ครั้งเดียวเท่านี้พระสาวกเป็นตัวขี่ทางพระเสด็จเป็นพระผันผุดผุนองแหนะพระมรจักนี่อนัตตานี่จะมีสาวกสำคัญว่าพระสูตรเรื่องไหน ครห้าหรือร่างกายของของเธอเน่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ไหมมาเป็นทุกข์พระเจ้าค่าเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือผู้อยากคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราไม่คนคิดที่นั่งพระเจ้าข้าเนี่ยจากการที่พระลูนส่งสดงถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตในตนเน่ะทำให้ผ้ะ นเป็นว่คีได้สอบไดเป็นท่านหันมาทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นที่เราตัดมาศึกษาในเรื่องพที่จริงจริงน้น่ะเป็นคมาที่เราเห็นด้ง่ายในตัวในตัวเราอย่างจริงๆริงนะดยเฉพาะความเป็นนากป่าเนี่ยจะว่าเห็นยากก็เห็นยากจะว่าเห็นง่ายเห็นง่านกลับมาหุนตัวเราีบ่อยๆนะว่ามรบังคเป็นชาวได้จริงไหมนะผลจรงหอกบังบังคับท่านไม่หงอกไหมไหม ตาจะหัดบังคับไปไหมตาจะมอบังคับไปไหมหรือไม่จะหัวเรืองบังคับไปไหมนะจะปะว่วยไม่สบายเนี่ยสามารถที่จะบังคับให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยไหมกลับมาพูดในสิ่งเหล่านี้จะชัดนะแมอแร่ความคิดเรแล้วก็ยังบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะจะให้มันหยุดนิ่งสักห้างทีจริงๆก็ยังไม่ได้เลยนะมันคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยไม่มีทุ่ิซึมดกนะ ความร่วมความกดความหองจะให้หมดไปอจากใจมันก็ทนไม่ได้อยู่ดีนะทำก็ได้แป๊บเดียวชั่วคราวนี้สำนึกกลับมาอีกนะเห็นเรื่องบาดว่าอะไรมันเข้าบัญชาไม่ได้จริงๆทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี่ไม่ใช่ของเราเลยนะกลับมากลับมาพลิกที่จะเห็นความจริงในจุดนี้นะใจจะยอมรับความจริงนะเพราะฉะนั้นในในการที่เขาเรียกวันจะมาท่านนี้ศาสนาจริงๆนะก็คือกลับมาเห็นเห็นว่าตจรักนี่แหละอเห็นความจริงในจุดนี้ว่ามันไม่ทุกอย่างเป็นทุก เป็นัน้าตาบังเข้าบัญชาไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ตัวนี้ตัวของเราจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนที่โฆษณาที่แท้จริงนะตาเบย์ที่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ือเราไม่เห็นหน้าตานั้นเราไม่เชื่อขึ้นที่โฆษณาที่แท้จริงเลยนะอันนั้นเป็นแค่สมถะธรรมดานะหรือเป็นแค่สติเฉยๆธรรมดานะการเจริญสติไม่ยังไม่ถึงวิปัสสนาะเป็นแค่เจริญสตินะแต่เป็นวิทางที่จะเข้าสู่ปัศนาคือการที่เราจะเห็นสิ่งนั้นนี้ตามความจริงนะ ที่เห็นสิ่งต่างๆเนี่ว่ามันเกิดบรรดไปจริงๆนะแยกกายยยกใจได้เห็นเห็นได้ใชปรุกายกับจารยู่นละสนกันนะเพื่อดีมาเข้าสู่เขาเรียกว่าเข้าสู่คอนเซ็ปต์นั่นเองนะเห็นสำนาว่าเ่านี่แหละยังความรู้สึกตัวในกิงมันก็ได้ทุกอย่างมาเมื่อว่าเราปริบัติดีวันนี้เราไปบังในดีนี่ก็คือความในทุกอย่างมันนะถ้าปุได้ไปยึดเราต้องปริบัติได้ดีทุกครั้ง อันนี้ก็เป็นความทุกทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราให้กลับมาพบกับความจริงทุกทีเลงนะอ่างั้นถ้าเราเราเราสามารถที่จะทําได้ตามใจทุกครั้งนะอ่าอะไรที่นันมันก็เราบังคับได้บ่อยๆนะกอสามารถจะดสติได้ดีทุกครั้งนะหรือ บังคับสิ่งเราทําไม่ได้ใี้มันได้ดีดูครั้งตามใจสรสางการนั้นกิเลสมันก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดในขณะนั้นสัจจะดีหรือความยึดมั่นว่าเราเก่งมันจะเพิ่มมากขึ้นนะไม่ใช่คนทางเขอนการที่จะลักกิเลสนะคนทางการรักกิเลสคือจะต้องกำาังเห็นความจริงว่าได้มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตาจริงน่ะมันจะเป็นการรักิเลสได้ในตัวนะให้ไว้บ่อยๆนะ ต้องกลับมาเห็นความจริงบ่อยเมื่อเราเห็นสิ่งอะไร้บบอยนะ้นมันในสุดความยึดติดแล้ก็จะน้อยลงนะอันนี้กลับมาสู่ความยึดติดแล้วนะความยึดติดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆตอบในที่เราตอบมาเห็นความจริงบ่อยว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้จริง ๆ, ๆนะเนะ น, นนั่นคือคือหนทางที่เราจะพรูทได้นะและในขณะเดียวกันนะจิตใจเราไม่จริงจัลลงเปล่นๆๆทั้งวันนะ เปลี่แลงเดี๋ยวก็หลไปสู่ความโลภความกดความหลงไหลไปทั้งวันเรารู้ทันไหมรู้ทันไหมการที่เราสามารถรู้ทันรู้ทันไนแล้วนะเขาเรียกเราไม่เพลินไปอย่างที่ว่านะเราไม่เพลินไปนถ้าเรารู้ไม่ทันก็เพลินไปเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยความโลภความกรความหลงเกิดขึ้นทั้งวันเราก็รู้ไม่ทันผู้มีชีวิทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เ้าเรียกว่าสามัญชนก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะ ผดูชนะคือผู้ดินหนาได้เป็นเลทนะเขาเคยมานั่งเขาอยู่แล้วนะความร่วมความกดความหลงเกิดขนทั้นเขารู้ในทันนะเรื่องอย่างนี้เขาก็จะติดว่ามันดีด้วยนะมันเป็นสิ่งดีแต่นี่เมื่อเราเจาะจากความร่วมความกดความหลงในประการแ้กเราต้องรู้ทันมันก่อนนะรู้ทันมันให้มันให้เร็วนะรู้ทันความคิดต่างๆให้เร็นะเมื่อรู้ทันความคิดในเราหน่ะก็จะรู้ทันระบบในเราด้วยนะ พอรู้นี่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นประจําหรอกแต่มันเกิดขึ้นจรมาชั่วคราวถูกไหมนะชั่วคราวนะอย่างเช่นขนาดนี่ยเราจะไม่มีไม่มีความรู้ความกลัวความหลงเกิดขึ้นนะคือเรากำลังปกติอยู่แต่เมื่อใดที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ม่ทานนังจิตมันก็ไม่ปกติทันทีนะมันจะไม่ปกติทันทีเพราะเรื่สิ่งสําคัญก็คือเรารูงจําสำรู้ที่อย่าปกติไม้่อใก่อนนะปกติเป็นอย่างไรนะ ถ้าเราจังสภาวะที่ปกติได้แล้วในนานความไม่ปกติไปขึ้นเราก็จะรู้ทําได้เร็วขึ้นด้วยนะเรายังรู้ให้ทันสิ่งต่างให้เรานะโดยการที้เราพยายามทําใจให้เป็นปกติบ่อยๆนะปกติบ่อยๆคือเราไม่มีใจที่จะเพื่อนไปในลมต่างนะอยู่กับปัญหาเยอะๆนะมันก็อยังปกติได้เองเพราะงั้นการที่เรามามาสร้อยยังขาดหรือประเด็นยังกลนี้ก็คือการที่เราอยู่ฝึกอยู่กับความเป็นปกติตั้งแต่นะ ความเป็นปกตินี่ไม่ใช่ปัจจุบันนะเมื่อก่อนนันมาก็คิดว่าปัจจุบันแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเป็นแบบมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่เราหาเป็จแบบมันไม่เจอหรอกนะแต่ก็สมมุติเป็นปัจจุบันแล้วกันนะแต่บางที่เรากำลังทำอะไรอยู่ก็เราก็ให้รู้ทันกันแล้วกันว่าขณะนั้นเราทําอะไรอยู่นะขณะนั้นทำอะไรอยู่ก็คือโปรติเงาแล้วนั่นเองนะโปรติแล้วก็คือเราขณะนี้เราทําอะไรอยู่ก็รู้ทันนะ นล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆมันไม่อยู่กับับนจริงๆมันไหลไปเรื่อยๆนะไหลไปเรื่อยๆอะไรมันเข้ามันก็ไหลไปเรื่อยๆเรารู้ทันในขณะมันไหลไหลไปนะความที่มันไหลนะมันจะไหลทางกายและทางใจด้วยนะกายมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เรานั่งเิสัยแมันไม่เคลื่อนกายนี่ไม่แต่เรานั่งเิสัยมันก็เคลื่อนอยู่แต่เราไม่รู้ทันมันนั่นเองนะจริงๆแล้วอนไรทุกอย่างมันเคลื่อนไหวหมดเลยนะถ้าเรานักสมาธิเป็นเราลองนั่งแล้วเราลองดูนิดนึงเออขนาะนี้มันร่างกายมีการเคลื่อนไหวยลลเานะ มีการเคลื่อนไหวในการกระเพื่อมของร่างกายเนี่แหละในภูนั้นก็มีอยู่นะนะเพราะว่ร่างกายมันเคลื่อนอยู่แล้วโดยเรื่อยๆมันเคลื่อนมันด่เองแล้วนะเนะนะมือ่อเราเคลื่อนไหวมือ น, นี้ก็คือเราตั้งใจให้มันเคลื่อนนะมันก็เป็นการเคลื่อนไหวมันอยู่แล้วมันมันจะไม่ได้อยู่ยเฉยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในในระในขณะเราแต่ละขณะนะจิตใจเราก็เหมือนกันนะมันจะเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเลยมันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันจริงๆหรอกนะ ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหอยู่เรื่อยๆเล็กๆน้อยๆเหมือนเคลื่อนไหวไม่แต่ความนิ่งมันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในตัวมันนะเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ทันนะรู้ทันการที่มันเคลื่อนไหวการไหลของร่างกายนะหรือว่าการเคลื่อนไหวของจิตใจแต่ลักษณะที่มันเคลื่อนไหวนะตัวนี้เป็นการรู้ที่ละเอียดมากนะเป็นการรู้ที่ละเอียดมากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่แต่การกระพุ้นตาการอ้าปาก สิ่งนี้เป็นความละเที่เล็กน้อยน่ะซึ่เป็นนอกนอกจากการปบัติทั้งหมดเลยนะนอกรูปแบบทั้งหมดเลยนะถ้าเรารู้ในสิ่งเล็กน้อยน้เนี่ยจิตมันจะยิ่งละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าเราจะขยับแล้วรู้ตัวเราใหญ่อย่างไรขยับนะขยับเล็กน้อยเท่นั้นขนาดนี้เราเออไปเกาหลังเกาหลังเรารู้ไหมว่าเรากับเกาหลังอยู่นะอือหรือเรายกเมย์ขึ้นมาขยี้ตายกเมย์ขึ้นมา รูปผมเรารู้เรารู้ทันไหมในสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นการขึ้นไหวขึ้นไหวไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆเล็กเล็กน้อยๆเราพยายามรู้ทันไปเรื่อยๆนะนจะไปทิ้งอีบดย่อยอีบย่อยเป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยพ้าวิ่งเป็นแบบเลบเล็กเ้อยนี่อีบทย่อยนส่สคัญกาอีบใหญ่นะมันเรีเราไม่ไปนิ้วอกนะเราขยับนิดหนึ่งเราก็รู้ตัวแล้วนะนิดเดียวืยขยามนิ้วนิดหนึ่งก็รู้ตัวแล้วนะอันไหนวิ่งมาเป็นสิ่งที่ลเอียด เราไปเยอะไป่หะนะมันเป็นการเคลื่อนไหวนะเราจับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นทุรนทุร้างนะในทางกายละทางใจนะี่ยมันจะยิ่งกว่าอยู่กับปัจจุบันอีกนะก็คืออยู่กับการมันเคลื่อนไหวการไหไปตลาดเวลาแล้วเราจะรู้ติดกานที่มันเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะเพราะนั้นะบางที อย่างกิเลสที่หยบยาบนะกิเหยบยาบนะเราเห็นเหนง่ายแต่กิเลสที่ละเอียดเล็กเล็นอยนอยเรไม่เห็นก็คือความพอใจเล็กเลน้อยน้ะเราจะยินดีกับมันนะความยินดีนี่คือกิเลสที่มันละเอียดฉว่าเราไม่เห็นมันเพราะมันละเอียดเกินไปนะแต่ว่าความยินดียิ่งยิ่งนเราต้องรู้ทันทั้หมดนะเพราะไม่งั้นคนก็สมัยเป็นไรทำดียาแล้วนะแต่เพราความที่เราไม่รู้ทันไอ้กินลสเล็กเล็กน้อยพวกนี้มันสาคัญและมันละเอียดยิ่งยิ่งมากนะต้อารู้ทันมันได้นะ เราเรายังปล่อยเลี้ยงเล้าที่เพื่อ ง, งผ่านไปนะถ้าผ่านไปเน่มันเรื่ีเลาะถีเ ล, า, ลาตาชากาลังเลาะตาเลนนะดูไปจับไปบทใหญ่ไปบทย่อยนี่ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะรู้ว่าหมดน้ำทั้งใหญ่ทั้งย่อยนะความคิดนะความคิดนะรือว่าความโกรธมันใหญ่นะแต่ความพอใจเล็กๆนอ้นเรากับรู้ม่ทันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะต้องรู้ให้ให้ตลอด ทำไมสุแล้วก็ไม่ไบเพ่งเราไม่ว่าตั้งใจเรื่องทรร่ให้มันรู้สึกตัว ต, วตลอดเวลาก็ไม่ใช่อันนั้นเป็นอุปสรรคศัตรูตมาเรืเ่องสองในอุกกาบาตเพ่งไว้นะพวกมันก็ย่ออยู่ในวันจัดําใจอย่างไรที่มันจะไม่พงและมันจะไม่เถอนะห้มันอยู่กั น, ก น, นารทเรียนนะอันนี้ก็นัิงที่เรีว่าเป็นบ้าสีเพื่อเราจะจะไม่ น, มนานในจุดนี้นะทำให้เป็นปัจจุบันนะทุน ง, ง่ายๆทาสบายๆรู้หรือไม่รู้ว่านไนะไม่ไต้งไปตั้งท้อคอยรู้กับมันนะ ไม่จเป็นที่จะไปรู้ตลอดเวลาด้วยนะไม่จำเป็นมันหลงไปเราแค่ตามรู้ ร, ร, รู้รู้อย่างเดียวทุกท่าน น, นนะรู้การรู้ใจเป็นปัจจุบันนะท่านั้นเองนะตามรู้ไปเรืนะ่อนในสัวระยะเวล า, าพบแล้นี่มันก็ม่ยาที่เราจะเข้าใจที่จะถุงซึ่งความพทโกน ะ, ะ, ระรนเราลยคืนก็ขอฝาทุกท น, นนะก็ขอทุกท่านอ<า> <filming S 1> ัตโนมัติถึงทึงซึ <S <S ่งพระนิพพานเจ้าปบนี้ทุกท่านเทอนเป็นตัวกถาพ